เวลาเราจะทำสมาธินะเราใช้ใจธรรมดาใจที่ไม่ดัดแปลงส่วนใหญ่นักปฏิบัตินะเกือบร้อยละร้อยคิดถึงการทำสมาธิก็จะดัดแปลงจิตเป็นน้อมจิตให้นิ่งๆคือจิตจะมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิเป็นเรื่องของจิตเราอย่าไปยุ่งกับมันหน้าที่เราก็แค่รู้ทันมันนะ ใช้ใจสบายๆใจที่ธรรมดาเราจะรู้ลมหายใจจะรู้อะไรก็รู้เอาเวลารู้รู้สบายๆรู้กว้างๆไม่คอนเซนเทร e หรือโฟกัสลงไปที่ใดที่หนึ่งรู้สบายๆรู้สึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจก็หายใจสบาย ใช้ใจใช้ใจธรรมดานะเราไม่แกล้งทำอย่างนี้ยนะถ้าแกล้งแล้วมันเคลื่อนใจมันจะเคลื่อนเราใช้ใจปกติเวลาจิตรวมเนี่ยจะไม่ไหลจะรวมอยู่บนฐานเวลเราฝึกสมาธิที่จิตสงบอยู่บนฐานของจิตไม่เคลื่อนไม่ใช่สงบอยู่ที่ตัวอารมณ์ ถ้าจิตเคลื่อนไปสงบอยู่ที่ตัวอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณูปนิชานไม่เหมาะกับการทำวิปัสสนาสงบไม่สงบแต่จีต อ, อกนอกถ้าเราจิตอยู่ที่ฐานนะสงบได้ไหมได้เข้าไปถึงฌานแปดเหมือนกันแต่ไม่เคลื่อน นี่ถ้าจิตยอยู่บนฐานพอมันสงบแล้วพอมันถอยออกมาเนี่ยมันยังอยู่กับฐานมันจะเห็นาธาตุขันทํางานอันนี้หมายถึงว่าใช้สมาธินําปัญญาเข้าสมาธิจิตยอยุดที่ฐานพอถอยออกมาเนี่ยใจมันจะไม่ได้ออกไปใจมจะหยุดพอดีอยู่แล้วลก็จะเห็นาธาตุขั น, นยแยกออกเลยหรือถ้าเราชํานาญในการดูจิต เรารวมเข้าไปถึงฐานนะแล้วเราดูองค์ธรรมของฌานเราก็เห็นวิตกวิจารณจิตตรึกจิตตรองในความรู้สึกรู้สึกตัวอยู่รู้ทันก็ตัดมีปิติมีความสุขมันเด่นปิติเด่นขึ้นมาเราดูรู้ทันปิติจิตไม่เคลื่อนไปที่ปิติจิตตั้งมั่นเห็นปิติแปลกปลอมเข้ามาปิติหลุดออกไป มีความสุขอยู่กับจิต ท, ที่ตั้งมั่นเห็นความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมความสุขก็หลุดออกไปมิวเบกขาจิตตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าเจริญปัญญาควบกับสมาธิจิต ท, ที่ถึงฐานแล้วก็ทามสมาธิที่ถึงฐานจริงๆมีประโยชน์เอาไว้เดินวิปัสสนาได้เอาไ้พักผ่อนก็ได้ เวลาพระริยะบุคคลจะพักผ่อนนะท่านมีที่พักหลายอันอันหนึ่งพักอยู่กับอารมณ์อย่างบางทีท่านแผ่เมตตาประมัญญากว้างกวางออกไปจิตจับอารมณ์เป็นอารามันูปนิชานก็ได้พักอยู่ที่ฐานของมันเลยก็ได้ตัวที่จิตเข้าพักถึงฐานเนี่ยมันเหนือกว่าเข้าพักอยู่ที่อารมณ์ ถ้าจิตไปพากอยู่ที่อารมณ์นะสูงสุดได้ฌานที่แปดถ้าจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยได้เก้าได้สมาบัติที่เก้าแล้วเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตอยู่ที่ฐานงั้นสมาธิที่จิตอยู่ที่ฐานเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมทุกอย่างเลย ใช้ทำความสงบก็ได้ใช้เดินปัญญาก็ได้นะเวลาที่เกิดระยะมรรคเกิดระยะผลก็เป็นสมาธิที่ถึงฐานนีพวกเราพยายา ม, มาฝึกให้จิตใจเราถึงฐานไม่ให้ไหลออกไปอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมอันนี้จิตไม่ถึงฐานนะจิตจะไปอยู่ที่ลมเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ ใช้ใจที่ผ่อนคลายนีย่เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจนะอย่าไปจ้องลมหายใจรู้สึกสบายๆรู้สึกทั้งตัวเห็นตัวนี้หายใจไปใจไม่เคลื่อนไปที่ใดที่หนึ่งไปซ้อมนะซ้อมของเราทุกวันทุกวันสมาธิเราจะได้เยอะสมาธิไม่พอเดินปัญญาไม่ได้แต่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาคือสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนให้นี่ ไม่ใช่สมาธิที่จิตไหลไปเกือบร้อยละร้อยของคนทาสมาธิจิตไหลทั้งนั้นด้วยความเคยชินเคยชินเลยในวัตตนเนี่ยคำสอนของฤๅษีมีมาตลอดเลยแต่คาสอนของพระพุทธเจ้านา น, านๆมีทีหนึ่งงั้นเราจะ่คุ้นเคยกับสมาธิฤๅษีไม่คุ้นเคยกับสมาธิพระพุทธเจ้า สมาธิหรือสีอจิตเคลื่อนออกไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสงบสบายออกจากอารมณ์ น, นั้นก็ร้ายเหมือนเดิมสมาธิผู้เจ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความเบิกบานด้วยไม่เครียดรู้สบายสบายรู้สึกตัวนั้นความสุขโวยขึ้นมาเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะไม่ต้องสแสวงหาใจเป็นแค่คนดู ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เดินปัญญาได้ใจเป็นคนดูอยู่เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูใจไม่ไหลไปที่ร่างกายเห็นจิตใจทำงานใจเป็นคนดูใจไม่ไหลเข้าไปที่อารมณ์ของจิตดวใจไม่ไหลไป ใจถึงฐานใจตั้งมั่นเวลาเกิดมากเกิดผลนะเกิดตรงนี้แหละไม่ไปเกิดที่อื่นหรอกแล้วเวลาเราทำวิปัสสนานะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นพอพวกที่หัดทำวิปัสสนาใหม่หัดดูเกิดดับครั้งแรกๆจิตจะไหลไปที่สภาวะอย่างเราเห็นโทสะเกิดโทสะดับจิตจะไหลไปที่โทสะ จิตไหลไปที่โทสะพอโทสะดับไปจิตเลยไปค้างอยู่ข้างนอกไม่เข้าบ้านสบายโล่งโปร่งเป็นวิปัสสนูปกิเลสชื่อโอภาษ์วิปัสสนูเกิดจากจิตไม่ถึงฐานตอนแรกถึงแต่กําลังไม่พอให้เห็นเกิดดับแวบเดียวนะมันเคลื่อนออกแล้วไปว่างๆอยู่ข้างนอก มีปัสสูมีสิบตัวทีบางคนว่าเป็นปัญญามากอะไรๆรู้หมดเลยเกิดความรู้มากมายรู้ไปหมดเลยจิตเริ่มขยับตัวเองที่รู้ล่วงหน้าเลยเดี๋ยวจะต้องอย่างนี้เดี๋ยวต้อ ง, องนี้ไม่ได้กินเลยกลายเป็นฟงสั้นปัญญาล้ำหน้าไป เรื่องสมาธิที่จิตถึงฐา น, นสำคัญนะถ้าไม่มีตัวเนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้ามีนิดหน่อยทาวิปัสสนาได้จะกลายเป็นวิปัสสนูวิปัสสนูเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะคิดว่าพ้นทุกข์แล้วหมดกิเลสละมีแต่ความสุขความสบายไม่มีกิเลสพอใจไปหลงทีสติก็แรงไปสติแรงไป มองอากาศข้างหน้าเรานะเห็นเป็นเม็ดๆเลยเนยเพื่อนต้องฝึกนะให้จิตมันถึงฐานจริงๆจิตทธิถึงฐานเนะี่ยมีสองชนิดต้องระวังด้วยถึงฐานจริงๆเป็นธรรมชาติธรรมดานะดีที่สุดถูกต้องนีพอเราเคยถึงฐานแล้วมันจำได้เมื่อจิตถึงฐานเป็นแบบนี้แบบนี้จงใจทำจิตที่ถึงฐานขึ้นมาจิตจะแน่นๆนะ รู้ตัวอยู่แต่แน่นๆถึงฐานแต่ว่าถึงด้วยการบังคับใจจะอึด อ, อัดใจอึดอาดก็ไม่เข้าสเปคที่ครูบาอาจารย์สอนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่ไม่เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เคร่งเครียดใช้ไม่ได้จะต้องให้เป็นผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติก็คือเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อน ถ้าเรารู้ทานจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เราต้องซ้อมทุกวันแบ่งเวลาไว้หายใจไปก็ได้เป็นกรรมฐานกลางๆหายใจแล้วก็จิตไม่เคลื่อนไปที่ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวไปสบายสบายรู้สึกตัวทั่วพร้อมสบายๆรู้สึกไปแล้วพอจิตมันหนีไปคิด รู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดนี่ก็เคลื่อนละรู้ไปรู้ไปจิตเคลื่อนไปที่ลมรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมอันนี้ก็เคลื่อนเหมือนกันตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งขึ้นมาตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยไม่ได้เจตนาเราต้องฝึกจนถึงขั้นที่ไม่เจตนาให้จิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนา แท้จริงแล้วองค์ธรรมทั้งหลายที่เราใช้เพื่อการตรัสรูนะ้เราต้องพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่ไม่มีเจตนาสมาธิก็ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งแต่ตั้งเองเพราะว่ารู้ทันว่ามันไม่ตั้งสติก็ต้องเกิดเองไม่ได้เจตนามีสติสติมาเองทำไมสติมาเองได้เพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเอง สมาธิจะเกิดเนี่ยต้องมีความสุขใจมีความสุขมีความสบายรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายสมาธิที่ถูกต้องจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดมีสมาธิถูกต้องจิตก็ตั้งมั่นปัญญาก็ต้องเกิดเองไม่ได้เจตนาคิดมันรู้ขึ้นมามันเข้าใจขึ้นมาเราภาวนาบางทีหลายๆวันปัญญากเกิดครั้งหนึ่งเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมา เราจะอิ่มอกิ่มใจมีความสุขอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเวลาสติเกิดก็มีความสุขเวลาสมาธิเกิดก็มีความสุขเวลาปัญญาเกิดก็มีความสุขเวลาวิมุตต์เกิดก็มีความสุขมักคผลเกิดมีความสุขอันนั้นสุขมหาศาลต้องฝึกจนทุกอย่างเปน็นอัตโนมัติอย่างเราหัดขับรถทีแรกเครียดใช่ไหม นึกได้ไหมขับรถครั้งแรกเครียดจะตายไม่ขับรถอยูน่น่ะแค่ฉี่จักรยานก็แย่แล้วพยายามจับแฮนด์ใ ห, แนหน้แน่นเน่ยแน่นๆๆ่นจะไม่ให้ล้มก็ล้มเลยจับพวงมาลัยให้แน่นเลยจะไม่ให้สายรถก็สายเนือเวลาไปนะเวลาออกออกเหมือนกบถ้ารถสมัยโบราณ น, นะมันต้องมีคลัตซ์มีอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มี เวลาจะออกรถออกเหมือนกบ ต, บตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปตอนวิ่งเหมือนงู <c oughs> วิ่งไปสปาร์ก็ตายเหมือนหมาเออ่างนี้นะ <c oughs> หัดขับรถใช่ไหมเครียดทีแรกรู้สึกเดินสบายกว่าพอขับรถเป็นแล้วมานาัตโนมันไม่ต้องชิดแล้วมันจะเหยียบอะไรพวกเคยขับรถที่เข้าเกียร์เองนะมาขับ เราออโต้หาที่เหยียบเบีอยไม่ได้ยุ่งยากไม่ว่าอะไรนะเราฝึกไปแล้วจนมันอัตโนมัตินะมันจะเป็นเรื่องง่ายสบายใครไหว้น้ำเป็นมัน้งอาทิตย์แรกสำลักไหมเดี๋ยวนี้ดำผุดดำไหว้ไ่วยบ่อยๆไม่เป็นอะไรมันเคยชินสบาย ขับรถทีแรกก็เครียดชำนาญแล้วสบายเหมือนไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆรู้สึกนั้นนะการที่จะพัฒนาสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันแรกๆก็ลำบากนิดหน่อยนะต้องอดทนเอาทำแล้วทำอีกแต่ฟมชำนาญหัดดูสภาวะบ่อยๆแล้วสติเข้าเกิดเองหัดรู้ทานจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเห็นร่างกายหายใจ สบายๆรู้ตัวไปสบายๆเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อ น, นสุดท้ายจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับใจจะสบายถ้าบังคับอยู่จะอ่นนั้นหรือเราเห็นสภาวะทั้งหลายมันเกิดดับทีแรกเราไม่เห็นมันเกิดดับนะเราเห็นแต่ตัวสภาวะเช่นเราเห็นร่างกายเห็นร่างกายก็จ้องอยู่ที่ร่างกายไม่เห็นเกิดดับ นี่พอเราหัดไปเรื่อยเราเห็นนะร่างกายเกิดดับได้เดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์อะไรอย่างนี้เปลี่ยนแปลงทีก็รู้สึกในความรู้สึกในกายไหวยิบยับยิบๆที่โน่นที่นี่อยู่ทั่วทัวตัวย้ายไปย้ายมาไม่ได้เจตนาจะเห็นเราไปมันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะรู้ลมหายใจมันรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมันรู้เอง กรทั้งนอนหลับร่างกายจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยแต่สั่งมันไม่ได้หรือเราหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆสุขก็รู้ทุ ก, ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ต่อไปไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ตรงไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้โอ้นี่ใช้ได้ล่ะเห็นมันเกิดดับไปไม่ได้เจตนาทำไมต้องฝึกจนไม่มีเจตนา เจตนาเป็นตัวสร้างกรรมเจตนาคือตัวพบคือตัวกรรมมรรคผลไม่เกิดในพบแต่วิปัสสนาเกิดในพบเงี้ยเบื้องต้นเจตนาทําไปก่อนนะแต่ฝึกไปจนทังอัตโนมัติไม่เจตนามีสติก็มีสติไม่เจตนาให้จิตตั้งมั่นก็ตั้งมั่นไม่เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็เห็น หมดเจตนาตรงที่เราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแล้วบารมีเราพอเราดูมามากพอแล้วสะสมมามากพอความดีเราดีพอแล้วจิตจะรวมโดยไม่เจตนาให้รวมถึงเวลาที่มันพอแล้วจิตมันรวมของมันเองไม่ได้เจตนารวมพอจิตมันรวมเองนะไม่คิดไม่นึกไม่มีคำพูด ในใจอีกต่อไปละเห็นสภาวะธรรมผุดขึ้นมาในจิตเห็นมันผุดขึ้นมาจากความว่างผุดขึ้นมาแล้วสลายไปในความว่างสติะระลึกรู้ผุดขึ้นมาก็รู้ไม่เจตนารู้รู้เองแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดมาแล้วก็ดับไม่เจตนาจะเห็นเกิดดับก็เห็นเองถ้าบุญบา ร, รมีพอนะเห็นอย่างนี้สองสามจังหวะท่านหนึับ ปั๊ดับบางคนแค่นิง่งสองิ่งจิจะตัดจิตจะตัดการรับรู้ตรงนั้นนะแล้วทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้ไม่ใช่เข้าหาจิตผู้รู้นะจะเข้าหาอีกสภาวนะหนึ่งเป็นาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์วางการรู้อารมณ์ภายในจิตขนาดอยู่บนฐานแล้วนะเห็นเกิดดับอยู่บนฐานนะ ยังวางตรงนั้นเองทิ้งฐานวางฐานแต่ทิ้งฐานแล้วไม่ได้ล่อนไปที่อื่นเลยถ้าล่อนไปที่อื่นทุกที่ที่หยางลงไปเป็นภพทั้งสิ้นเลยจิตอยางลงไปตรงไหนตรงนั้นก็เป็นภพเลยนี่มันถอนตัวออกจากโลกถอนตัวออกจากภพแล้วไม่ไปอยู่ที่ภพอะไรส่นวนเข้าหาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้เนี่ยจะต่างกับจิตผู้รู้ จิตผู้รู้มีจุดมีที่ตั้งมีขอบเขตเราจะรู้สึกไหมจิตใจเรามีขอบเขตเมื่อวันก่อนพระมาเล่าว่าเห็นจิตถูกขังจิตถูกขังจิตมันมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีขนาดแต่ทารู้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทารู้นะไม่มีรูปร่าง เป็นอันเดียวกับความว่างเป็นอันเดียวกับพระนิพพานคือสภาวะมันเสมอมันตรงที่มันไม่มีอะไรเลยหลวงปู่ดนท่านสอนบอกว่าภายนอกไม่มีรูปร่างไม่มีอาการปรากฏภายในไม่มีความเคลื่อนไหวสังเกตั้ยจิตของเราไหวยิบแยบยิบแยบทั้งวันทั้งคืนน่าสงสารเนี่ยคือจิต ขนาดเป็นจิตผู้รู้แล้วนะไม่ต้องนับถึงจิตผู้หลงอย่างชาวโลกเขาหรอกมันจะทุกข์แค่ไหนและจิตผู้รู้ยังไหวยิแบแยบยิแบบยแ บ, บอยูนะ่รู้อยู่นะแล้วก็มีขอบมีเข็นหน้าอุนาดคับแคบเวลาจิตไม่ทรงฌานนะแคบมากเวลาจิตทรงฌานก็ใหญ่หน่อยแต่ก็มีขอบเข็นเรียกว่ามหคัตจิตมหคัตใหญ่คำว่าใหญ่มีขอบเขนหมใหญ่แค่ไหนก็ยังมีขอบเขต ธาตุรู้ไม่มีขอบเขตท่านถึงบอกว่าไม่เรียกว่าใหญ่ไม่เรียกว่าเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กอีกต่อไปมันไม่มีรูปรักไม่มีรูปรักษจะบอกว่ามันใหญ่จะบอกว่ามันเล็กไม่ได้นะเนี่ยธรรมะนะสนุก <c oughs> ใครเคยอ่านเรื่องจิตคือพุทธะของพวงโปท่านพุทธทาตแปรหลวงปู่ดูลยอามาสอนบางส่วน สอนสิ่งเหล่านี้ไว้นะไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรจิตคือพุทธะเนี่ยคือจิตพระอรหันต์จิตของเราเป็นจิตมารไม่ใช่จิตคือพุทธะ <c oughs> มารอะไรมารยาจิตมารยานะปรุงแต่งไปเรื่อยงั้นเวล า, าจิตคือพุทธะแล้วอย่าเมานะอย่าไปทำจิตให้เหมือนอย่างในตำราอันนั้นเป็นผลอันนั้นเป็นจิตพระอรหันต์ จิตเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นจิตมารไม่ใช่จิตคือพุทธะเราอาศัยทมยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปที่หลวงปู่ดูลบอกอาศัยอย่าส่งจิตออกนอกจิตถึงฐานคําสอนหลวงปู่ดูลอันแรกเลยนะอย่าส่งจิตออกนอกก็คือฝึกจิตให้ถึงฐานนั่นเองพอจิตถึงฐานแล้วมียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเห็นจิตมันทางานเหมือนตามองเห็นรูปตามองเห็นรูปตาไม่เคยไปบังคับรูป ตาไปสั่งรูปได้ไหมเอารูปนี้จงเดินสั่งไม่ได้แทรกแซงอะไรไม่ได้เห็นแต่รูปมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นจิตมันทำงานไม่สั่งมันไม่แทรกแซงมันเนี่ยธรรมญาณเห็นจิตมันตาเห็นรูปในสุดจิตก็เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรเห็นจิตนี่เป็นตดทุกวางจิตลงวางจิตลงมันก็เป็นธาตุรู้ หลวงปู่ดูเลเรียกธาตุรู้ตัวนี้ว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกตัวนี้ว่าจิตเดิมแท้สมเด็จพยานสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรมารมธาตุหลวงปุเทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุรดาเรียกว่าใจเดียวแต่เราแต่โรองค์เรียกไม่เหมือนกันนะแต่พูดถึงสภาวะอันเดียวกัน สภาวะอันนี้เป็นผลนะนะเป็นผลของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเหตุของการปฏิบัติเหตุต้องเริ่มมาตนะั้งแต่ไม่ส่งจิตออกนอกนอก็ได้สมาธิที่ถูกต้องนะมียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนี่ทำวิปัสนาด้วยกานดูจิตเราดูกายก็ได้นะมียานเห็นกายก็เหมือนตาเห็นรูปอีกแล้วนะเสร็จแล้วจิตมันจะเห็นจิตแจ่มแจ้งในขั้นสุดท้าย ถัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตคือปล่อยทิ้งตัวรู้ลงไปแล้วจิตผู้รู้นี่แหละที่หลวงตามหาบัวว่าจิตอวิชชาจะทาลายตัวเนีงไปหลวงพุดุลเคยสอนหลวงพ่อนะจําไหมนะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตชี้ถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทําลายผู้รู้ทําลายจิตเพื่อพราะด้วยอะไรด้วยมียานเห็นจิตจงกระทั่งเข้าใจมันเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็ทำลายทําลายของมันเอง ถ้าทำลายไปแล้วเราก็จะเข้าไปถึงธาตุธาตุที่เป็นธรรมแท้ๆนี่แล้วแต่จะเรียกชื่อนั้นแหละหลวงพ่อก็เรียกง่ายๆว่าธาตุรู้อะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกบางทีก็เรี่ยกคุยกับคนนี้ก็เรียกอย่างนี้คุยกับคนนี้เรียอย่างนี้เป็นธาตุอันอัศจรรย์อันหนึ่งนะธาตุรู้นี่เท่านั้นแหละเห็นพันิพานจิตผู้รู้ไม่เห็นพันิพานหรอก จิตผู้รู้เห็นอะไรเห็นรูปนามแสดงใจลักษ์สิหรือเห็นรูปนามเฉยๆจิตผู้รู้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาธาตุรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตงั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่มีการไปไม่มีการมาภายนอกไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่สัมผัสได้เลยภายในไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ปรุงแต่งนั่นเอง ของเรามันปรุงมันก็ไหวขึ้นมาในธาตุรู้นี่ไม่ปรุงแต่งค่อยฝึกหนะ้าทําไปอย่าไปสแสวงหาธาตุรู้ตัวนี้หลวงพู่ดูลยบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอันนี้ยหมายถึงจิตหนึ่งใช้จิตธรรมดาของเราเนี่ยสแสวงหาจิตหนึ่งสแสวงหาธาตุรู้อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนี่พอเป็นพระอรหรนันต์ท่านสัมผัสตัวนี้แล้ว อาศัยธาตุรู้นี่แหละสัมผัสกับพระนิพพา น, นพระนิพพานก็ไม่มีรูปลักษ์แต่มีอยู่มีแต่ไม่มีอะไระมีอยู่ธาตุรู้เนี่ยไม่มีอะไรปรับ ก, กฎเลยนะแต่ธาตุรู้แสดงความมีอยู่ของตัวเองด้วยการยิ้มแปลกไหมที่เราพูดุลเรียกว่าจิตยิ้มพูดเรื่องจิตยิ้ม โอ้สนุกแต่ถ้าเข้าถึงตัวนี้แล้วนะก็ทรงตัวอยู่งั้นอยู่ยังมีความสุขนะไม่มีอะไรปนเพื่อนไม่มีอะไรปนเพื่อนเข้าถึงจิตเองมีพระไปถามหลวงปู่ดูลว่าครูบาอาจารย์แต่และองค์ ม, มีเครื่องอยู่ต่างๆการหลวงปูออ่อยู่กับอะไรบอยู่กับรู้พระองนั้นก็ถามหลวงปู่ว่ารู้เป็นยังไงท่านบกว่างสว่างบริสุทธ์ หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้เป็นธาตุรู้นะท่านอยู่ธาตุรู้นี่แหละสัมผัสกับพาณิพกานอยู่บางคนได้ยินหลวงปู่พูดอย่างนี้นะพยายามจะทําจิตที่ว่างขึ้นมานะจิตที่สว่างอันนี้เหลวไหลามากเลยเป็นการทําผลทําไงก็ทําไม่ได้ อ, อีกกี่ชาติก็ทําไม่ได้ต้องทําเหตุดูสภาวะดูไตรลักษณ์ดูอะไรของ กายของใจเรื่อยๆไปโดยด้วยจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานจริงๆนะถึงวางวันหนึ่งไว้ทิ้งจิตที่ถึงฐานตัวนี้แล้วทิ้งอีกทีมันทิ้งเองห้ามไปทิ้งเองนะถ้าเราทิ้งเองก็เหมันเหมือนเรายังอยู่ในทะเลแล้วเราทิ้งเรือนะจมน้ําตายแน่เลยนะเอาไปกินข้าวนะนี่หมดเลยครับ